บทที่สิก้ากลุ่มนเจ้าทั้งหมดรวมทั้งบุญคมที่ถูกทิ้งไว้เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งพากันพักจุดตรงบริเวณตีนเนินนั้นดื่มน้ําสูบเรและสนทนากันเบาๆข้างของพรานใหญ่ที่ไต่ขึ้นไปตามพื้นลาด ช, ชันอันอุดมไปด้วยก้อนหินที่งอกขึ้นไประเกตระกะหางสูงขึ้นไปทุกทีและชั่วไม่กี่อึดใจก็รับหายไปในเงาบางของหมู่โขดหินอันสลัสับซ้อนนั้นตรอดระยะทางที่ผ่านมาเชื่อวุาหาโอกาสเดินล้าหลังอยู่ใกล้ชิกดบุญคมและชวนคุยซุบซิบกันตามลําพัง โดยที่เตลลี่คิดและคริสติน่าไม่ได้หันมาสนใจอะไรด้วยตาทานเท่าได้เริ่มเล่าเรื่องไร้ค่ฟังอย่างแถวเบาถึงความลี้ลับของเนืรานครเรื่องอาถรรพ์ของมหาคัมพีอุบาที่ชื่อมายาวินจอมผีดิบมันไกรซึ่งถ่ายทอดวิญญาณร้ายสลับกันกับเสือโคร่งสุสานมัมมี่อันเล่นลับไม่สามารถจะคำนวณอายุขยได้และผลที่สุดความอาถรรพ์ ทั้งหมดก็ถูกกระเพื่ไฟวันแก้ตกทำลายล้างจนเสื่อมสิ้นไปก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปในครั้งนั้นจากคําบอกเล่าของบุญคําซึ่งไม่มีอะไรจะปกปิดเชิดวุฒโดยคําอนุญาตของพรานใหญ่ทําให้นายทหารหนุ่มเต็มไปด้วยความฉวนสนเทศและมั่นทะจใจเขียดสุดมันเป็นเรื่องพิสดารเหลือเชื่อแต่เขาก็ไม่อาจที่จะคิดได้ว่าสิ่งที่บุญคําเล่านั้นเป็นเรื่องเท็จและเมื่อได้พิจารณาไตรตรองแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะ เมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกัสซ้าของมัมมี่ประลาดที่เข้ามาอารวาสพร้อมๆกับโขงช้างของไอ้งาดำมันก็ดูเหมือนจะมีเขาเงื่อนที่เชื่อมโยงกันได้และน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างมากด้วยสิ่งที่บุญธรรมยอมรับก็ฟังนั้นไม่ใช่แกจะนำเรื่องนี้มาพูดขึ้นเองหากแต่เป็นคำขอร้องของเขา เพราะขณะที่คุยกันอยู่กราพินก่อนหน้าออกเดินทางนั้นมีอะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องการจะทราบลึกซึ่งมาปกว่านั้นเพราะตุณเองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเรื่องลึกลับสังเกตดูบุญคําเองก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากนักหากแต่ถูกเขาเซ้าซีสักถามจึงได้ได้ฟังอย่างไม่เสียไม่ได้เคล็ดวุฒเดินคิดหักมาตลอดทางและไม่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มอยู่กับคณะอเมริกันอีกเลยเพื่อจะหาโอกาสซักไซไล่เรียมบุญคำให้หมดสงสัย นที่สุดทุกอย่างที่คณะของหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราได้พภายาตั้งการนำของละพินได้ประสบเพือเห็นมาก่อนแล้วตามคําบอกเล่าของบุญธรรมยังไม่ละเอียดนักในทีสุดแต่ว่าเขาจะถามขึ้นไรแกก็ตอบเฉพาะคําถามนั้นๆซึ่งไม่ช่วยอะไรให้ต่างแท้จิความรู้สึกของเขาหรือจะรู้ก็รู้แต่เพียงว่าเจ้ามอสเตอร์หรืออมนุษย์ที่เข้ามาเกาะกวนความกราห์นของคณะเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมาหลกทั้งลูกขาไปสังหารอีกสองคนด้วยธีการหากักคอจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้อง กับความเป็นมาแห่งด้วยชานครที่ไปกินกับพวกเธยไปเชิญมาแล้วเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นการเชื่อมั่นของตาพานเท่าบุญคำโดยเอาประสบ ก, การณ์ของแกเองที่เคยพบจากพฤติกรรมของจอมผีดิบมันไกลมาก่อนแล้วเป็นข้อระแวงสงสัยขณะที่ยังพากันนั่งพักรอฟังข่าวจากพานใหญ่อยู่นั้นเชิดวุฒิไม่ทิ้งโอกาสที่จะประกบตัวบุญคำไว้อีกทั้งสองคนนั่งพูดคุยกันซึกซิบตรงลากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากฝ่าย ม, มริการทั้งสี่คนออกไป โดยเสียงพูดจะไม่แววไปถึงและกลุ่มบริกันก็ยังไม่ได้ระแวงหรือสงสัยอะไรที่เขาคุยกันอยู่กับคุณคำตำลำพังคามาลเคเห็นอยู่แล้วว่าเชิดกวศมีความสนุนสนมชอบคุยกับคุณคำเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากแกเป็นคนแก่ที่สุดในคณะที่มีอารมณ์ขันคลื่งขน อ, นองตลกบอกฮาอยู่เป็นประจำ วิธีจะไล่บนคําพูดก็คือการเสีจสินบนด้วยเล่าขอเชิญวุฒิรงกระติกบรรจุบระดิมห่แกนโดยเข้าไปสามสิบอดีตในฐานใหญ่แห่งเขาอุ่มครึ้มศูนมือขวาของรัินไพร์วันก็ไม่คิดที่จะปิดบางอะไรเชิญวุฒิอีกเรื่องราวของนักนิทรา น, รานราครก็หลั่งไหลออกมาจากคําพูดของแกเป็นฉากฉา ก, ฉากสุดแต่เชิญวุฒจะป้อนคำถามออกไปมันเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้ในให้กับเขาเรือที่จะกล่าวได้แน่ละเรื่องราวเหล่านั้นคงจะไม่ถูกเปิดเผยออกไปจากปากคําคของรัินอย่างแน่นอน นายทหารรู้แล้วก็เฉยๆไว้นะอย่าพูดอะไรให้ไหนพวกนายห้างฝลังรู้หรือแหม่มสองคนนั่นฟังแกยื่นหน้าเข้ามากระซิบตำลันในลำคอจับเข่าเขาไว้ตาเหลือไปยังกลุ่มนายเจ้าที่นั่งพักเหนื่อยและคุยกันเองอยู่ถึงนายทหารเองก็เหมือนกันบุญคำจะไม่ยอมบอกเลยถ้าไม่ใช่เพราะนาดพินอนุญาตไว้เรื่องแบบนี้นะ่ะเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากจะพบเห็นกับตาตนเองแต่พวกของบุญคําเป็นพยานได้ทุกคนเพราะเจอกันมาพร้อมๆกันนั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นไอจันหรือไอ้เกิดหรือไอเสยตอนบุกเชือกขาวพระศิวะครั้งนั้นมันมีเหตุการณ์พิศดารที่พูดให้ใครฟังไม่ได้หลายเรื่องหลายตอนเหลือเกินเหตุการณ์ของนิพานนครนี่ น, น่ะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งในจํานวนเรื่องมหัศจรรย์ทั้งหลายแหละอีกสิบสิบเรื่องที่พวกเราพบ ก, กันมาแล้วเชือวุฒอัดควันบุหรี่ลึกแล้วคว้าเอากระสิปงปรันดีในมือของบุญคาเป็นแท่เสียอึกใหญ่ก่อนจะส่งให้ไกอีกครั้งหนึ่งสะบัดหน้าอย่างมึนงง มันเป็นเรื่องที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับฟังจากใครต่อให้เป็นนักเล่าดิทานโกหกเก่งที่สุดให้ฉันคิดว่าโกหกขึ้นมาเองฉันก็ยังไม่สามารถจะโกหกเรื่องราวได้อดส จ, จ, จันใจอย่างที่บนคําเล่านี้มีหน้าละละพิน์ถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยนายทหารนมครางออกมาเขาหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงเหลือที่จะกล่าวตามปกตินายทหารเขรู้ว่านายละพินแกนเป็นคนไม่พูดมากอยู่แล้วยิ่งเรื่องราวที่เราไปพบมามันเป็นเรื่องที่แปลกที่สาดที่สุด พูดออกไปแล้วใครฟังก็หาว่าเราบ้าแกถึงไม่อยากจะเล่าอะไรทั้งสิน้นนี่แกจะต้องรักและไว้วางใจในายทหารมากนะถึงไม่ยอมให้บุญคําเล่าเรื่องนี้ให้ในายทหารฟังอืมฉันก็เห็นใจเขานะที่ไม่กล้าปิดปากบอกความจริงอะไรออกมาในเรื่องนี้โดยเฉพาะกับฝรั่งพวกนั้นไอ้ฝรั่งมันจะไปชื่ออะไรส่วนเล่าให้ฟังมันก็กอดแดมให้เท่านั้นต้องให้มันเจอกับตาตัวมันเองแล้วค่อยอธิบายมันฟังที่หลัง นี่เมื่อคืนนี้นะก็เจอเข้าให้บ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเดินทางต่อไปอีกสักหน่อยเถอะจะยิ่งเห็นของจริงจะยิ่งกว่านี้อีกนารพินแกก็อึดอัดใจาอยู่เต็มที่จะบอกหรือก็อา้าปากบอกไม่ได้ไอ้คันจะปิดนิ่งไว้หรืออันตารายมันก็ตุกตีเจ้าย่างแกต้องห่วงหน้าทรวงหลังสารพัดใช่หน้าเห็นใจเข้ามากจริงๆเชิดบุญภัยยักษน้ารับเม้มปากแน่นตาหลี่ลงสรั่งมาเป็นพวกที่ถือว่าตัวเองจเจริญแล้วเชื่อในด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าอะไรทั้งสิน้น ความลี้ลับอาถรรพ์ในโลกนี้มีอยู่มากมายแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นยังไม่มาถึงตัวพวกมันมันก็ไม่ยอมเชื่อหลอกถึงจะบอกไปก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้จะเสียคนต่อต่าพี่ถ้าฉันเป็นเขาฉันก็คงจะไม่กล้าเล่าเรื่องอย่างนี้พวกฝลังพวกท น, นฟังเหมือนกันและนายทหารลองคิดดูว่านาราพินจะลำบากใจเพียงไหนถ้าขลังพวกนั้นยอมรับรู้ยอมเชื่อการระวังตัวอันตรายหรือเตรียมรับมือมันก็ง่ายเข้า และถ้าไม่บอกให้รู้ก็จะลาบระวังกันลำบากมากตั้งแต่นาทีแรกที่บุญคำไปเห็นไอ้ทราบผีนั่นนั่งอยู่ตรงโขดหินเหนือลำห้วยสังหอนก็บอกกับบุญคำทันทีว่าถ้าเราเผลอหรือพลาดแม้แต่นิดเดียวเป็นอันต้องถึงชีวิตกันบ้างละไม่ใครก็ใครแล้วก็จริงเสียด้วยมาเล่นงานลูกหาเสียสองคนจะจะเล่นงานแหม่มเบลเสียอีกด้วยนะพอดีกับที่นายห้างบ๊อบและพวกเขาตื่นขึ้นมาเห็นทันโยวยวายขึ้นจะก่อน มาอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหมอมแหม่มเบลจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือนายราพินแ ก, นกนจับไข้ไม่รู้สึกตัวเสียคนเดียวเท่านั้นเองเพจไันก็แทรกแสงเข้ามา ท, าทันทีบุญคำเตือนแ ก, นกนแล้วเมื่อตอนปะ่ายที่พบซากว่าให้จัดการกับมันเสียให้เรียบร้อยแกก็ไม่ทําอะไรเท่านั้นที่แกเองก็สงสัยอย่างบุญคาเหมือนกันพอบุญคาจะเอาสายสินไปล้อมตัวมันเท่านั้นแหละเสร็จ มันย้ายที่ลูกเดินนี้ไปเฉย ๆ, ๆอย่างนั้นแหละเหมือนสมัยไอ้ผีดิบมันใจไม่มีผิดแต่ผ่านเท้าบนอุ้ยโครงหัวอยู่เด็กๆแล้วซดประหลาดดีได้ปฏิติไปพราบระยะระยะพอได้โอกาสแล้วเชิดวุฒนิ่งคิดไปอึดใจใหญ่มันเต็มไปด้วยปัญหาหเลยคืนนั้นลงคําสําหรับเรื่องราวของนิทานครกับไอ้ผีดิบที่เข้ามาเล่นงานพวกเราเมื่อคืนนี้ก็ไหนลงคําว่าคุณละพินกับพวกของลงคําล้างอาถรรพ์ของคํำพีอุบาทนั่นลงหมดแล้วยังไงล่ะไอเสือโครงดานั่นก็ถูกระเบิดแล้ว ซาของมันไตรก็ถูกเขาผลปี้ไปหมดแล้วจนกระทั่งคณะทั้งหมดเดินทางผ่านกันไม่ได้ถ้าหากมันมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่อีกไอ้ผีดิบตัวนั้นเมื่อคืนนี้มันจะมาจากไหนด้วยอำนาจของอะไรนั่นสิมันเป็นเรื่องต้องคิดแล้วก็ยังคิดกันไม่ออกระหว่างนายละพินกับบุญคําเองเพราะฉะนั้นถึงยังไม่กล้าบอกอะไรแน่ชัดลงไปเลยเราจะต้องดูมันไปต่อไปอันตรายจากจัดป่าธรรมดานําเรื่องเล็กน้อยมากมายทล้วน้ะนายทหาร แต่อันตรายจากความรี้ลับอาถรรพ์ของป่าฆ่าพรามเดินนักเดินป่ามานักเส็จ น, นักแล้วใครรอดตายหนีพ้นป่าฟันออกไปได้ก็ไม่มีปัญญาที่จะอา้าปากเล่าขึ้อื่นฟังได้รู้กันแต่เฉพาะพวกเราที่ผ่านพบกันมาเองเท่านั้น นายทหารอยากรู้อะไรดีๆก็หาโอกาสคุยกับนารพินดูเถอะแกคงไม่ติดนายทหารหรอกแล้วแกก็รู้อะไรลึกซึ้งกับบุญคำมากมายนักนารพินนะไม่ได้ชำนาญแต่เฉพาะการเดินป่าเท่านั้นนะสายเวทอาคมเวทบนคาถาแกก็เหนือกับบุญคำมากมายนักบุญคำแนละแค่ลูกศิษย์เท่านั้นแล้วตาเท่าจอมสับดลซึ่งบัดนี้ไม่ได้มีอาการคึกขนองทะลึ่งโรนเหลืออยู่เลยเมื่อเล่าถึงสิ่งที่ประจญภัยมาก่อน ก็ได้ชี้ไปที่พระเครื่องซึ่งชิด ว, วุฒิห้อยคออยู่หลวงพ่อของนายทหารองค์นั้นนะ่ะหมั่นอาราธนาไว้เถอะนะถ้าแกไม่รักและห่วงใยนายทหารจริงๆแล้วก็แกก็คงไม่ขอดูพระที่ห้อยคอของนายทหารและเตือนให้คอยอาราธนาหรอกเชิดวุฒเอามือตะพกหลวงพ่อไว้สุดลมหายใจเลือกอย่างมั่นใจและบอกว่านั่นสิครั้งแรกฉันก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตอนที่เดินเข้าไปร่วมวงนั่นพอคนละพินถามถึงพระเครื่องว่าฉันมี ใช้ประจําตัวบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองแหละเช่นคนลุกสู้เลยรู้สึกทันทีว่าถ้ามันจะไม่ชอบมาพากลเสร็จแล้วและพวกของบุญคาละ่ะไม่ต้องห่วงนายทหารลูกศิษย์ของนายพินทุกคนมีของดีไว้คุ้มครองตัวแล้วเท่านั้นจะเรียกมาแจกเป็นลายคนเลยถึงยังไงพวกเราก็เอาตัวรอดได้เป็นห่วงแต่พวกขลังพวกนั้นเท่านั้นเรากําลังเผชิญหน้ากับสยเวทอัปปีของไอ้ผีร้ายที่เต็มไปด้วยอํนนานาจลึกลับที่สุด บุญคำเองข้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแน่แต่สังหอนขึ้นมาจับใจว่ามันต้องเกี่ยวโยงกับนิทรานครที่พวกเราเคยถล่มมาแล้วนั่นแหละแต่อีกคราวนี้ไม่รู้ว่ามันจะเล่นงานเราในไม้ไหนหนายทหารนาคอยเป็นหูเป็นตาแทนพวกขบุญคำด้วยปราะอยู่ใกล้ชิด ก, กับพวกฝู้หลังพวกนั้นเวลานอนก็นอนรวมหมู่กับพวกเขาอย่าให้พวกเขาขัดขืนคําสั่งของนายรพินเดินแยกเดี่ยวออกไปโดยไม่มีใครคอยเป็นเพื่อนอย่างเด็ดขาดไว้ใจไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะแบบสองคนนั่น ขนาดเดินลัดตากันแค่ซุ้มไม้หรือปลวกจอมปลวกบางเท่านั้นภัยมันก็เข้ามาถึงตัวได้ก่อนที่จะช่วยเหลือทันเอาละฉันจะคอยช่วยสอดส่องระวังพวกเขาไว้อีกทีหนึ่งมันน่ากลุ้มใจนะที่เราบอกความจริงทั้งหมดให้เขาฟังในขณะนี้ไม่ได้ซึ่งก็ทาให้ต้องคอยเป็นภาระระวังพวกเขาเพิ่มขึ้นเพราะความไม่รู้ของเขานั่นแหละว่าแต่ลุงคำพอจะรู้ไหมว่าเส้นทางเดินของเราจะผ่านเส้นรานครอีกหรือเปล่า ประโยคสุดท้ายในายหารหลกระซิบถามาทหารเท่าเอามือรูปหัวแล้วสายหน้าไปมาคุญคําก็ไม่รู้เส้นทางเดินของนารัินเหมือนกันนะจะรู้เฉพาะแต่ละวันที่แกกําหนดให้เท่านั้นชิศานครที่เราผ่านเข้าไปในครั้งนั้นนะ่ะพวกเราทั้งหมดเดินหลงเข้าไปเองไม่มีแผนที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรชี้บอกและถ้าจะตั้งใจไปกันจริงๆบุญคาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าถูกทางหรือเปล่า แต่ถ้าผ่านเข้าไปแล้วบุญคาจํามันได้หลักฐานต่างๆเก่าๆก็จะต้องเหลืออยู่ให้เห็นอย่างน้อยก็ปราสาทพันธม ว, วดีที่นายใหญ่สั่งให้เอาระเบิดถล่มลงมาราพนาสูนบุญคําเองก็อยากจะกลับไปเห็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันจะได้ยืนยันได้แน่นอนว่าในครั้งนั้นพวกเราทุกคนไม่ได้ฝันกันไปแล้วบุญคําก็ชะนั่งตึกไปเฉยๆเอามือสกิดเขา่าเชือดปุ้ดพอดรัชฐานหลมเลี้ยวหน้าไปมองตามสาผานเท่าก็เห็นเึื้อหน้าเดินเข้ามาใกล้ เกบถึงตัวแล้วสองคนนี้คุยกันกันหนุ่มกันหนิงเหมือนคู่รักหล่อนเอ่ยขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาหยุดยืนยตรงหน้าขอเข้ามาขัดจังหวะหน่อยเถอะเพราะเราเห็นเดินเกาะคู่ลังท้ายพูดอะไรกันมาตลอดทางแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เอาละขอร่วมฮงด้วยคนจรังเกียดไหมกระเท้าจำเนรแวบดูเชิดพุทและหัวเราะแห่แห่กดเปื่อนแต่นายทหารหนุ่มวางหน้าเฉยขณะนี้หล่อนยืนอยู่บนโขดหินสูงกับระดับที่เขากับบพลคำนั่งคู่กันอยู่ และเป้ากำงเกงปรากฏเป็นรูปตัววีเด่นชัดยิ่งเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อราวกับลงไปแช่น้ำมาทั้งตัวแบบนี้มันก็ยิ่งเน้นฟ้องสันฐานชนิดที่คาดไปไม่ถึงว่าคนที่มีเอวองอรชร อ, อยู่ในเกณฑ์สูงเทียวอย่างพิษจะซ่อนรูปร่างได้ถึงเทียงนี้นายทหารหนุ่มไม่ได้มองที่ใบหน้างามนั้นแต่กลับไปเจ้าที่ระดับกลางลำตัวซึ่งอยู่ในระดับสายตางเขาพอดี มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ตาเท่าเจ้าเล่์ประจำป่าเพิ่มําออกมาว่าอือหือพารักกักทีเดียวแท้เทฟคงจะไม่ได้ยินหรือไม่ชนช่ก็คงจะจับเสียงอุบอิบของบุญคำไม่ถนักนักเพราะความสนใจของหล่อนยาม น, นี้จับอยู่ที่เชิดเท่านั้นผมกับบุญคากําลังวางแผนโฮโมกันอยู่ถ้าคุณจะร่วมด้วยก็ยินดียิ่งระวงังให้คาหน่อยนะฉันไม่ใช่เบลนะการเปลี่ยนเป็นภาษานเกิดเึื่เสียงชายเย็นต่ํำลึก ลายสไตล์เอ็มสปากกระบอกทิ่มลงเมื่อเท้าซอนกอดอกได้ยืนประงานแยกขายอยู่บนโขดกิ่ก้อนนั้นในลักษณะเดิมเชด้อพกระเดื่นน้ำลายลงคอตอนนี้ดูเหมือนเขาจะลืมเรื่องที่กำลังคุยกับบุญคําหมดสิน้นพริไม่ใช่คนสวยเฉพาะใบหน้าหรือรูปร่างภายนอกเท่านั้นเลือดหนุ่มคนองร้อนฉาไปหมดยังไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายของสายตาคิดอยู่ในใจว่าขอให้ได้โอกาสบอกบอกสักครั้งเถอะพ่อจะฟั่งให้ได้แต่ปาเจ้าชูก็บอกไปว่า ก่ใช่ไม่เหมือนกันหรอกผมว่าคุณน่าจะประทับใจมากกว่าเบลมากพักนอนคืนนี้ขอนอนใกล้ๆหน่อยได้ไหมถ้าสุภาพกว่านี้สักนิดจะน่ารักมากนะไอ้หนูแค่ผมทอมพูดลดหัวเขาแล้วหันไปทางบุญคำถามเป็นภาษาไทยว่ามีเรื่องพูดอะไรกันมากมายขอฉันดูด้วยคนบ้างไม่ได้หรือบุญคำสะพานเท่าขยี้จมูกกู้อี้ e ว่า ไม่ได้มีความรับอะไรหรอกแห ม, มนายทหารแกมาคุยกับบุญคำแก้เบื่อเท่านั้นเองแกถามถึงเรื่องป่านั่นแหละเลือกไอ้ช้างงาดําทําพูดของบุญคําไม่ทันจะเกประโยชน์ก็ถูกตบด้วยเสียงระเบิดจุดกล้องของไลเฟิลจุดสี่ห้าแปดมันพุ่งสนั่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสะเทือนไปตลอดบรรยากาศที่แวดล้อมอยู่คลื่นันทับไปยังเนินที่ระพินหายขึ้นไปบุญคากับเชิดวุดเห็นพว้ดขึ้นยืนแล้วกระโจนขึ้นมาบนก้อนหินก้อนเดียวที่คลื่นยืนอยู่ ห่าออกไปเล็กน้อยตรงตำแหน่งที่อีกสามคนนั่งอยู่ทั้เจอรี่คีิและเบลขึ้นยืนพร้อมกันหมดเสียงของกระสุนปืนที่ระเบิดขึ้นนั้นดังท้อนยาวกระทบกับขุนเขารอบด้านแล้วเบลสะท้อนกลับไปกลับมาปรโดยเสียงฟ้าร้องเฮ้ย <c oughs> ผู้ชายหลายคนอุทานมมาร้องออกมาพร้อมกันและโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้เลยบุนคัมคริสและเชิญบุษตกลงมาจากโขดหินก้อนนั้นวิ่งเข้าไปดงสุ่มกับไฟของเจอร์รี่ที่กำลังยืนอยู่นั่นสระเตืมนสนอง ทฤษะชากวิทยุออกมากดเรียกทันทีพร้อมกับกรอบคำพูดแบบเร็วตื่นกระพินเกิดอะไรขึ้นตอบด่วนไม่มีสัญญาณตอบกลับของวิทยุจากพันใหญ่ที่หายตัวขึ้นไปบนเนินหินข้างหน้านั้นเลยทุกคนหมุนคว้างกระสับกระส่ายและมองหน้ากันไปเองแล้วก็สะดุดขึ้นสุดตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสียงจุดสี่ห้าแปดแม่แม่แผกทอนกึกกล้องเลื่อนรันซ้ําขึ้นมาอีกเปน็นนัดที่สองมันทั้ระยะห่างกันเพียงสิบวินาทีจากมักแรกเท่านั้น พวกเราตามขึ้นไปเร็วและพินคไฝยกับอะไรเข้าให้แล้วเซรีตะโกนลั่นอย่างลืมตัวแล้วออกวิ่งนําหน้าขึ้นไปทันทีคนอื่นๆก็กวดตามขึ้นไปเป็นพวงโดยไม่ยอมฟังเสียงว่าบุญคาจะบวยวายหรอห้ามเชนไรในที่สุดตาพานเท่าก็ต้องแล่นตามขึ้นไปด้วยหนทางขึ้นเนินนั้นในช่วงแรกมันยังเทราดไม่มากนักประมาณสามสิบองศาแต่อีกราวๆสามสิบหาจะขึ้นถึงยอดอันเป็นดงหินมันราชันจนถึงมุมสี่สิบห้าองศาทีเดียวหรือกว่านั้น เชอรีส ก, กายตัวเองนำขึ้นไปเป็นคนแรกตามติดด้วยคิดซึ่งไล่หลังไปเกือบจะหยุดนักหนาเคียงคู่ถัดไปเป็นอิสเปลและกิซเชนาเชิดฟุตนั้นลังท้ายโดยมีบุญคำกวดตามขึ้นมาทันความตื่นเต้นตระเหตุการ์ซึ่งยังไม่ทราบแน่ว่าเกิดเส้ น, นทนาน้องไหนแต่สารชัตตยานบอกให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีทำให้ทุกคนลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิน้นต้องการจะขึ้นไปบนยอดของป่าหินให้เร็วที่สุดเพราะว่าโดยเส้นทางอันสูงชันนั้นทําให้ต้องออกแรงกันอย่างเต็มที่ ผิดกับการวิ่งไปบนพื้นที่รากหรือเทลงต่ําหลายเท่านักทั้งหมดจึงอยู่ลักษณะร่มรกรุงรังสะเก็ดตะกายกันไปอย่างทุรทุเรศจิ้งเอ็นก้อนหนึ่งตั้งขวางอยู่ตรงเส้นทางที่ทุกคนกําลังไต่มุ่งหน้าขึ้นไปในขณะนี้ส่วนบนอวบใหญ่แต่ฐานเบื้องล่างที่ติดอยู่กับพื้นนั้นดูจะคอดขอีวนิดเดียวภาพของมันตั้งอยู่หมินหมินในลักษณะธรรมชาติ ด, ดั้งเดิมขนาดไม่ใหญ่นักแต่อย่างน้อยก็สามตันขึ้นไปปัตดนี้มันเริ่มรั่นคลืนและมีอาการสั่นไหวโยกคลอนเล็กน้อย ยิดผู้วิ่งไต่ขึ้นเนินเยื้องหลังเซรี่ที่ล้ำหน้าไปก่อนเพียงแค่วาเดียวดูเหมือนจะเป็นคนแรกพว้เงยขึ้นไปพบสิ่งผิตปกตินั้นนายพันเอกแห่งย s a r ส y รมีจ้องตาเหลือกและตะโกนสุดเสียง Look out! ์ค น, นาคณะผู้กำลังก้มหน้าซอยเท้าอยู่ในขณะนี้แงงขึ้นมันก็พอดีกับที่ก้อนหินก้อนนั้นเลื่อนหลุดจากฐานอันปักจมจินอยู่ เห็นดินบริเวณฐานของมันแตกแยกฝุ่นร่วงพลูลงมาก่อนแล้วมันก็ถล่มคลื่นลงมาประดดมื อ, อยกักผักริ่งตกลงมาจากทางลาดชันสวนทางกับคณะทั้งหมดที่กำลังจะไต่ขึ้นไปเป็นขบวนอย่างรวดเร็วเซรยียังจ้องตะลึงพึงเพิอแต่คิดพิสูจน์ถึงความว่องไวและสติอันดีเยี่ยมพุ่งเข้าประทะสหายร่วม ง, งานที่ยังมัวแต่ยืนอาปากค้างตัวแข็งอยู่ จะชาิล้มกริ้งกระจกระจายไปด้วยกันโดยหลบเบี่ยงเข้าข้างทางในขณะที่หินก้อนนั้นกริ่งสนั่นหวั่นไหวลงมาอย่างน่ากลัวจากเสียงร้องของคิดและจากเสียงสั่นสะเทือนนั้นพวกที่ตามมาข้างหลังก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นวิสิการนั้นพร้อมกันหมด และในภาวะการของวินาทีมัจจุราชอันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินความคาดหมายได้ล่วงหน้านี้พก็แท่จะเรียกได้ว่าตัวใครตัวมันไม่มีใครมีโอกาสเตือนใครหรือช่วยเหลือกันติดต่อไปแล้วคริสขีดตัวเบี่ยงออกทางซ้ายของเส้นทางที่กำลังไต่อยู่คลิกกิ้งสามสีถ้วยเข้าไปหมอบหลบอยู่ใต้ชิง้อนหินใหญ่ที่โผล่อยู่ใกล้ๆเบลนั้นแยกออกไปทางด้านขวาแล้วลงกลิ้งไปเป็นท่าตกไปอยู่ในแอ่งหินแห่งหนึ่งโดยมีเนินสูงบน ของพื้นที่ยันอยู่เชิดพุดกับคุณคำผันหลังกับโกยอ้าวยังไม่คิดชีวิตสวนทางลงมาก่อนส่วนหนึ่งทั้งสองคนได้ยินเสียงคลื่นโครงที่กวดไล่หลังไปอย่างขนัดโดยไม่สามารถจะบอกได้ว่าพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนนั้นใครแหลกเละไปบ้างแล้วพอแล่นมาถึงชุงง่นอนหินอันมีลักษณะเหมือนขั้นพักตัง ก, ก็พร้อมใจกันกร ะ, กระโดดโคลลงไปโดยไม่ได้นัดหมายลงไปอย่างไรเนินเลื่อา หน้าคขมำไงลงไปบนพื้นที่ลาดต่ําอันเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดย่อมขึ้นอยู่กระปลายปุ้คําหยุดตัวเองได้โดยคว้ากิ่งไม้เส็ดมือไว้ห้อยต่องแต่งบุดเวดจะหลุดลงไปยังพื้นเบื้องล่างที่มีลักษณะเป็นเหวข้างเชิดพุดนั้นระหว่างที่กิ่งไปซึ่งตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าร่างกายส่วนใดพิการไปบ้างหรือไม่จากแรงเหวี่ยงแรงกระแทกสำเนี๊ยดได้แต่เพียงตับไตไส้พุงมันขยักขยอ่อนสั่นสะเทือนไปหมดและในที่สุดก็ไปหยุดกระแทกเข้ากับโคนไม้อีกต้นหนึ่ง ไกลๆกับบุญคํานั่นเองไม่มีใครตั้งตัวติดในขนาดนั้นและไม่รู้ด้วยว่าอาวุธที่ติดมือหรือพลายไหลอยู่นั้นของใครล่วงหล่นอยู่ที่ไหนบ้างระหว่างที่หลีกหลบเอาตัวรอดหรือจะรู้ก็รู้อย่างเดียวว่าขนาดนี้มือเปล่ายกเว้นแต่ใครที่มีปืนพกติดเอวอยู่เท่านั้นหินมาหาภัยก้อนนั้นกลิ้งตัวลอยและเรี้ยวกระแทบพื้นเป็นฝุ่นกระจายจับสิ่งที่ขวางหน้าของมันอยู่ถูกชนหักพังพินาศมันผ่านตำแหน่งที่คีตัสเฟรรี่ยืยอนอยู่มาแล้วสะเก็ตขินเปลวเป็น มาหล่นกลาวอยู่บนหลังของบุคคลทั้งสองซึ่งบัตรนี้ซบหน้าแนบดินไว้ไข้มือภาษาติดเส้นคอและศีรษะด้านหลังไว้แยกเขี้ยวหลับตาแน่นต่อมามันก็กรดอดเข้าใส่ตาแหน่งของคริสกับเบลน้ําหนักอันมากมายกระทบเข้ากับหินก้อนย่อยๆให้หลุดจากที่คลึ่อตามเป็นบริวารลงมาอีกจากนั้นก็กดไล่หลังทั้งเชิดพุธและปืนคำมาติดๆเพียงแต่ว่าทั้งสองคนวิ่งอ้าวสวนลงมาทางเดิมโดยกายกระโจนหนีเข้าข้างทางเสียก่อนอย่างหวุดหวิดฝน ตอนที่จะถูกบทเละไปชั่ววิบตาเดียวเท่านั้นมันกลิ้งตรงตามครุนโครมต่อไปในทิศทางนั้นจนกระ ท, ทั่งไปหยุดที่โคลนไม้ใหญ่ตําแหน่งซึ่งคณะทั้งหมดนั่งพักอยู่แต่แรกเวลาทั้งหมดที่มันเริ่มเคลื่อนไหวและคิดมองขึ้นไปเห็นครั้งแรกจือกจนกระทั่งหล่นกลิ้งลงมาราวกับรถตดถนนกินเวลาทั้งหมดเพียง5้ถึงหวินาทีเท่านั้นเมื่อมันไปหยุดนิ่งกระแทกพิงโคนไม้ใหญ่ซึ่งเป็นผลให้เชินโยกไปทั้งลาต้นขนาด3าคนอก ขณะที่ทุกคนตกอยู่ในภาวะมึนงงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกวนไปหมดในขณะนี้ตาลก็ถูกกระแทกความรู้สึกขึ้นมาด้วยเสียงโกรธจัดแร็กยาวกล้องดังสนั่นหวั่นไหวมาจากตำแหน่งเดิมที่ใกล้หินมรณะก้อนนั้นวางอยู่แต่แรกนั่นเองเซรี่กับคริสมึน ง, งมึ ง, งาหลายยืนขึ้นพอโผลหน้าพ้นซอกหินที่หลบอยู่ก็ตัวชาดิบไปครั้งหนึ่งร้องลั่นไม่เป็นภาษาคนออกมาทั้งสองคนคริสและเบล ที่กระจายกันออกไปคนละสองฝั่งทางยังไม่ทันจะทรงกายขึ้นมาได้แต่ก็ได้ยินเสียงนั้นรันอืออยู่ในหูทั้งสองข้างพร้อมทั้งดินสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่วิ่งเหยาะๆตามหลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นลงมาเป็นสิ่งที่บีบความรู้สึกของสายตาผู้พบเห็นมากจนลุนตัวทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะช้างใหญ่ขนาดยักษ์ตัวเดียวโดดๆวิ่งสวนทางลงมาพร้อมกับวงที่ม้วนจุก ป, ปาก งาตั้งสองข้างยาวเหยียดและเสยปลายงอนขึ้นกระทบแสงตะวันใกล้เที่ยงเป็นสีดำสนิทราวกับนิมสองหูโบกกระพือพัดกระหึมประยาอาการของมันที่วิ่งเขยา่าสวนทางลงมาพร้อมทั้งเสียงแผลร้องก้องอย่างดุร้ายนั้นแทบจะทำให้ทุกคนลืมหายใจมันไม่ได้วิ่งมาแล้วสนัตตื่นตกใจหรือตระเิดแต่เป็นการวิ่งลงมาอย่างสง่างามและทะ น, นงยิ่งหันลีหันขวาไปรอบๆจากนั้น มันก็มาเพียงตัวเดียวและและดูเป็นหนึ่งภูเขาเคลื่อนที่ได้ไม่มีบริวารในดๆติดตามมาและปรากฏตัวอยู่ใกล้ชิดทั้งสิน้นชัดเจนแจ่มใสและจางง่ายกันอย่างที่สุดระหว่างไอ้มหาวายร้ายงาดํากับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียตเพียงแต่ว่าสายมนุษย์กำลงงังตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจทําทสินใดลงไปได้ทั้งสิน้นเพราะแตกกระจายกับเป็นคนละทิศคนละทางและยังตั้งตัวไม่ติดเซเรเล่กับคิดความหมับไปที่ไหลซึ่งตามปกติสายไลเคลื่อนอยู่ก็ใจหายว่าบ เมื่อรู้ว่ามันตกหล่นตุกหายจากตัวไปเสียที่ไหนแล้วไม่รู้ระหว่างที่ร่มกลิ้งหลบก้อนหินอันกลิ้งลงมาอย่าไม่คิดชีวิตคิดกระชับกระชากปืนสั้นุ375ออกมาจากเอลเดยสันทพยานแต่วณะคณะคว้าข้อมือไว้แน่นพูดเร็วปืน อ, อย่ามันกําลังผ่านเราไปแล้วอย่าไปสกิดเตือนมันด้วยไม้จิ้มฟัน นฟินของแกอยู่ไหนคริสกระซิบมาเดลเปิดเช่นกันกายสันเทอไม่รู้ค ง, งตกอยู่แถวๆริมทางนั่นแหละโอกาสอันดีงามที่สุด่านโพลสเตรลี่และคริสไปเสียแล้วเพราะทั้งสองคนตัดจากไลฟิ์นขนาดหนักประจมือที่สั้์กับไอ้โคชสารผู้มีงาสีดำสนิทนั้นได้และบัดนี้มันมาหยุดรอเหมือนจะมองหามนุษย์ตรงตำแหน่งที่คริสและเบล แบหลบอยู่คนละฝากทั้งสองสาวมองเห็นมันอย่างถนัดเช่นกันแต่ไม่มีใครกล้าเผยตัวโผล่เสียขึ้นมาเลยนอกจากซุ่มนิ่งๆหัวใจแทบจะเต้นหลุดออกมาจากทรวงอกคริสและเบลก็ทำปืนคู่มือพัดหล่นเช่นกันและความฉลาดสอนให้รู้ว่าหากใช้ปืนพกที่ติดตัวอยู่ยิงเมื่อไหร่ก็เท่ากับฟ้องตำแหน่งที่ซอดและให้มันปลีเข้ามาคยี้และได้เมื่อ น, นั้นชั่วไม่ถึงอึดใจที่หมุนคว้างร้องก้องกำราเหมือนจะท้าทายฝ่ายมนุษย์ แล้วมันก็บ่ายหน้าลงตีนเนินวิ่งป่าสลมหายรับไปช่วงพิบตาก่อนที่ใครจะทันควานหาอาวุธหนักขนาดพอที่จะต่อกองกับมันได้ทุกๆคนในจุดต่างๆที่เคยสกระจายกันอยู่ในขณะ น, นี้มองเห็นมันตมเต็มตาที่สุดเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆไอ้งาดํามีตัวจริงๆอยู่และงาของมันก็เป็นสีดําสนิทจริงๆตสมตามที่เกรียงทั้งสามคนที่เฉลิญหน้ากับมันมาก่อนแล้วได้บอกไว้และไม่มีปัญหามันนั่นเอง ที่หลบอยูหลังก้อนหินพอได้โอกาสที่มนุษย์ไต่เมินขึ้นมาก็ใช้พลังอมหาสาลงัดก้อนหินนั้นให้หล่นกลิ้งลงมาไม้จะบททับแหลกเหลวหมดทั้งขบวนมิหนำตัวมันเองก็ยังวิ่งสวนทางลงไม้เห็นเสียอีกด้วยระพินไพวัน ล, ละ่ะปัตนี้เขาอยู่ที่ไหนกระสุนไรเฟิลปริศนาสองนัดที่ระเบิดขึ้นเขายิงอะไรจากรูปการที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะนี้บอกชัดได้ว่าระพินคงยังไม่พบเห็นไอ้งาดําเลยขณะที่เขาหายติดไปบนยอดเนิน และแมนว่าเขาจะยิงปืนขึ้นสองนัดก่อนทุกคนจะไต่ต า, ามขึ้นมาไอโฆษสารมหาการตัวนั้นก็หาได้สุ่งเชอนหรือเคลื่อนไหวตัวกระตกกระสากใดๆทั้งสิน้นไหม่าแต่กลับหลบซุ่มตัวนิ่งอยู่คอยจังหวะที่จะงัดก้อเห็นให้หล่นลงมาปะทะสะกัดกั้นคณะที่ติดตามขึ้นไปอย่างมีเลือดในและเหลี่ยมชันเชิงผิดปัญญาของสัตว์เจระชากทั่วไปโกราหนุวุ่นวายกันอีกพักใหญ่ๆทีเดียวภายหลังจากที่ไอ้ยักษ์งาดํา วิ่งอย่างประกาศศักดิ์ศรีแฝงไว้ด้วยความเย่อเย้ยของมันหายลับเข้าไปในป่าทชบด้านล่างกว่าที่คณะอเมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดพุตและบุนคำจะวิ่งเข้ามารวมกลุ่มถามไทยกันได้คนทั้งหมดก็เป็นไปด้วยความถุกระหุกตามค้นหาปืนคู่มือของตนเองหน่นอยู่จนกระทั่งได้ครบเชิดฟุตหัวแตกเล็กน้อยนอกจากต่างก็เคล็ยดย่อสะบักสบอมและถูกแง่หินหรือกิ่งไม้กระแทบได้รับบาดแผลกันทั่วหน้าแต่ละคนหน้าขาวเผื้อนอยู่ในการเส้นเล่ากันไปทั้งหมด นาทีที่ผ่านคนประหยกหยกนั้นต่างตระหนักได้ดีว่ามันเป็นนาทีที่ชีวิตของแต่ละคนรอดพ้นผัดมนุษย์ยูไปได้อย่างชี้เส้นยาแดงผ่าแปดอย่างไรก็ตามต่างก็โล่งอกและปินติยินดียิ่งที่ไม่มีใครในคณะพักทั้งหกคนเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือพิการยังไม่มีเวลาที่จะพูดคุยอะไรกันได้มากนักทั้งสิ้นในเมื่อทุกคนยังมีจิตใจติดจอยอยู่ที่พรมใหญ่ผู้ภายหลังจากระเบิดกระสุน 0, ไรเฟิลสองนัดแล้วก็เงียบหายไปราวกับว่าเขาได้อันตรานหายไปจากโลกนี้เสร็จแล้ว ทุกคนตามมันคำมาเร็วตาเท้าสมุนมือขวาของรพินร้องบอกขึ้นตัวแกเองก็ไต่เริ้วนำหน้าขึ้นไปก่อนโดยสวนขึ้นไปยังตำแหน่งที่หินเอ็ก้อนนั้นถูกงัดให้เล็งลงมาทั้งหมดจึงไต่ไล่หลังแกขึ้นมาโดยเร็วชนิดที่แข่งกับเวลาไม่มีใครคิดที่จะหันไปติดตามไอ้งาดำซึ่งแน่นแต่พวกล่าตาลัดหายไปกับตาและนเพราะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องห่วงกังวลถึงมากกว่า เพื่อครู่เดียวตามก็มาถึงบริเวณป่าหินเป้าหมายที่เห็นระพินลับตาหายไปเมื่อไม่เกินสินาทีมานี้บริเวณนั้นเป็นพื้นหินผสมกรวดเลี่ยงโล่งปราจากต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นมีแต่หินขุดโฟงอสะปุ่มสะปำอยู่ทั่วไปเล็กบ้างใหญ่บ้าง และมาถึงยอดเนินแล้วเช่นนี้จึงสังเกตเห็นได้ชัดว่าหินก้อนที่เคลี้ยงลงไปนั้นถูกพลังมหาศาลของไอจ้จ่าโขงช้างจะฆาตผลักดันและเสยงัดให้มันหลุดออกจากตำแหน่งที่จมคื้นอยู่เดิมมองเห็นเป็นบอ่อรอยดินลูกลงังแยกออกเป็นทั้ ง, งคลิบบุญคำไม่พูดอะไรมากเพียงแต่เชี่ยทุกคนดูคิดสะบดลั่นตางมีความรู้สึกตรงกันหมดคือเสียดาโอกาสอันดีเลิศนั้นที่จําเป็นจะต้องปล่อยให้ไอ้ช้างผีสิง รอยนวนหลุดลอดไปได้โดยเดินเฉียดผ่านที่ซ่อนกันอย่างสัวสุปัวุนทุกคนเพราะต่างคนต่างก็เปืนหลุดมือหายไปหมดไม่มีใครสามารถที่จะลั่นกระสุนฝากแผลให้กับมันได้แม้แต่นัดเดียวแต่ถึงอย่างไรก็จัดว่าโชคดีมากแล้วที่มันเองก็มองไม่เห็นกลุ่มมนุษย์ที่ร ก, กระจายซ่อนเล่นตัวเองอยู่ในขณะนั้นที่มันแล่นสวนตามก้อนหิ น, นั้นลงไป เทีย่ยงอีกประมาณ20หลาเท่านั้นที่คุณคำนำทั้งคณะเรียวรัดไปตามหมู่โขดหินที่ขึ้นอยู่อย่างสวยงามนั้นทุกคนก็มาถึงบริเวณแอ่งน้ำเล็กๆ เ, เนื้อที่มีเกิดสิบ้าตารางวาลักษณะเป็นรู ป, ปวงรีภายในที่ล้อมของโขดหินรอบด้านบริเวณริมแอ่งเป็นตวดเปะนโตโตมีเส้นทางด่านเข้ามารวมจุดอยู่อย่างตำแหน่งนี้ทุกทิศทางแอ่งน้ำนี้แหละที่พลานใหญ่บอกว่าจะขึ้นมาดูคุณคำตะโกนบอกทุกคนแล้วออกเดินตรวจอย่างรวดเร็วไปรอบๆ อีกค่าคนก็กวาดสายตาไปทุกทิศในลักษณะช่วยกันสังเกตร่องลอยพื้นแห้งสนิทและเป็นตรวจหินเสียดเป็นส่วนมากไม่สามารถจะเห็นเขาเงื่อนอะไรได้ทั้งสิ้นทุกคนมาถึงที่นี่ในลักษณะเหนื่อยกระสือกระหอบเชิดวุฒนั้นก็ยังไม่มีเวลาแม้แต่จะตรวจดูบาดแผลแตกตรงปีนผมบริเวณหน้าผากด้านซ้ายซึ่งไม่ทราบว่าแต่กระทบอะไรเข้าปล่อยให้เลือดที่ไหลซึมอยู่ตลอดเวลานั้นหยดลงมาอยู่ที่เหนือคิ้วพอจะเข้าตาก็ปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ด เซรีเองก็เลื่อนโซมไปทั้งแขนซ้ายเนื่องจากครูดไปกับแง่หินระหว่างที่คิดกระชากกลิ้งเบลเสื้อขาดใต้ระดับส่วงอกเป็นปากฉลามและคลิสจะเข็บเป้ากางเกงซึ่งตึงอยู่เดิมบัดนี้แยกออกเป็นทางยาวร่วมสีนิ้วจนมองเห็นซับในสีดำยังไม่มีใครหามาสนใจกับตัวเองก่อนทั้งสิ้นสังเกตดูตาพรานเท่า เห็นเดินพลาดรอบๆแอ่งน้ำนั้นระดับน้ำที่ปุซึมขึ้นมาจากใต้ดินอันเป็นบริเวณเนินสูงแห่งนี้จะลดกเท่าไหร่ไม่ทราบเพราะมองไม่เห็นพ้นของมันเนื่องจากลักษณะน้ำผิดปกติไปจากที่ทุกคนเคยเห็นมันขุ่นครักราวกับสีโอวนตินบุนคำมีสิน่าแสดงความฉนนสิขีดสุดสามพากันนิ่งไปชั่วครู่และสายตารวมจุดไปอยู่ที่บุญคำซึ่งเดินวนเวียนอยู่สองสารอบแล้ว ตรวจ ด, ดูให้แน่ชัดสิแล้พินผ่านมาตรงบ ร, ริเวณนี้หรือเปล่าสเสซอรี่ร้องขึ้นคุณคําเข้าหน้ายุ่งสั่นหัวอยู่ดิบๆแต่ยังไม่พูดอะไรทุกตัวลงกวักน้ําขึ้นมาดมขณะนั้นเองเชิดปุ๊บก็อาผ้าช็ดหน้าออกมาก้มลงที่แอ่งน้ํออาขยับจะจุ่มพชัชน่าลงไปเพื่อที่จะใช้ซับเลือดสะพานเท่าเรือเห็นก็กระโดดจับข้อมือไว้อย่างทันการร้องลั่นอย่ายุ่งกับน้ํานี่ประเดังขาดนายทหารหนุ่มหยุดชะ ง, งักหน้าตื่นทุกคนก็จ้องหน้าแกเป็นตาเดียวกัน คุณคาฉุดแขนเชิดพุดใ้ถอยห่างออกมาเสียงแก่ร้องโวยวายและล่ำ ล, ลัลว่าแต่ก่อนนี้น้ำในแอ่งนี้ใสร า, าวกับตาตะกะแตนแต่ตอนนี้มันขุนออกสีน้ำตาลกลายเป็นน้ำคิดไปเสียแล้วโนดดูโนนแกซี้มือไปกลางแอ่งซึ่งมีเกี่ยงไม้สดบางชนิดท่านขนาดหน้าแข้งยังมีใบที่เขียวสดอยู่ราวกับเ พ, พิ่งตัดหรือหักมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งแล้วโยนใส่ลงไปในกลางแอ่ง ส่วนใหญ่ของมันจมอยู่ใต้น้ําซึ่งคงจะเป็นระดับไม่ลึกนักโผล่แต่ส่วนปลายขึ้นมาให้สังเกตเห็นได้อะไรนบุนคำทุกคนพร้ออกมาเป็นเสียงเดียวกันดูที่กิ่งไม้โนดมันเพิ่งถูกลากเอามาโยนทิ้งไว้ในแองกยางของไม้ชนิดนี้เป็นพิษอย่างแรงมันกระจายออกมาจากกิ่งที่หักผสมกับน้ําทําให้สีของน้ำํำข้นไปหมดสัตว์หรือคนกินเข้าไปก็จะตายภายในไม่เกินชั่วโมงเดียวใครมีผ่าดแผลสดอย่าให้น้ํานั้นถูกเป็นอันขาดทุกคนถอยห่างออกมาให้หมด เสียงพูดของบุญคำเ e อ็ดตโลโววาอยู่เช่นนั้นพร้อมกับโบกมือไล่อยุกหยิกทั้งหมดอุทานแทะจุดในลำคอแล้วถอยหางออกมา ท, ทันทีมันหมายความว่ายังไงกันนี่บุญคำใครเป็นคนเอากิ่งไม้ที่มียาพิษอย่างร้ายแรงมาทิ้งไว้ในแอ่งนี้และเพื่ออะไรกันเจอรี่ถามร้องอย่างลงเล่งพอๆกันบุญคำไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำมาทิ้งแต่สังเกตดูลักษณะกิ่งไม้มันสดๆอยู่แสดงว่าไม่นานนักนี่เองแต่ที่แน่ๆก็คือมันวางยาพิษไว้ที่แอ่งน้ําตรงนี้ ไม่ให้ใครมาใช้ได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นเจตนาที่ทําลายแหวนน้ำหรือวางยาดักไว้เพราะมันรู้ว่าป่าแถบนี้นะจะไม่มีแหลังน้ําที่ไหนอีกเลยทุกคนตะลุย ง, งานกันไปอีกครั้งด้วยปริศนาเดวหันไปทางแม่เพื่อนสาวอันเป็นนักเคมีฟิสิกส์กระซิบเพิสเป็นไปได้ไหมอย่างที่บุญคาว่าเกี่ยวกับกิ่งไม้กิ่งนั้นที่ทําให้น้ําในแหวนนี้เป็นพิษขึ้นมาเพิสหน้ากัดเลยปิดปากเหลืตาลงมองจับนิ่งไปยังสีขุ่นคลักของน้ําในแอวนเพิ่มมาตาแหน่ง จะเห็นน้ำใสเป็นไสายหอยพุ่งดึงดิ่นขึ้นมาปะปนแล้วก็ถูกกลืนหายไปด้วยความขุ่นที่หนาแน่นกว่ามีต้นไม้และพืชของเมืองร้อนอยู่หลายชนิดนะที่ยางของมันมีพิษอย่างร้ายแรงทําให้เกิดการเบื่อเมาและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าดื่มน้ําที่ผสมยางไม้ชนิดนั้งเข้าไปยาพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบโลหิตซึ่งพวกคนป่าใช้ชุบกับลูกดอกชุบกับหัวธนูสําหรับไว้สังหารศัตรูก็ทําทมาจากยางไม้ประเภทนี้ บุญคำและพวกผ่านป่าที่ชํนานาญย่อมจะรู้จักได้ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นน่าจะเชื่อถือไว้ก่อนถ้างั้นก็แปลว่ามีใครมาวางดักยางวางยาเบื่อพวกเราไว้ถ้ารู้ทันก็ไม่ต้องกินน้ํากันถ้าไม่รู้ทันก็ตายไปเชื่อดุจคุณกล้องออกมา g o d damage คิดแหกปากตะกอนลั่นสาบแช่งกึกกล้องเสียงดังสะท้อนกล้องไปในปากหินและก้มลงคว้าหินเ ข, ข, ขืองเขืองก้อนหนึ่งขึ้นมากว้างตูมลงไปกลางแอ่งน้ำนั้นอย่างเดือดดาลบ้าคลั่ง สัญญาณร้ายที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะนี้มันเต็มไปด้วยเลสในลี้ลับเกินกว่าที่จะค้นหาแหล่งที่มาได้ว่ามันคืออะไรโชคดีมากสําหรับทุกคนที่ลราพินทิ้งบุญคาไว้ให้คอยเป็นพี่เลี้ยงท่าต่างกําลังกระหายน้ําจัดอยู่แล้วน้ําที่มีติดตัวมาในกระติกก็หมดเกลี้ยงกันตั้งแต่นั่งพักจุดตรงตีนเนินและน้ําที่พอจะมีตุนสํารองอยู่บ้านในขณะนี้ก็ติดไปในกระบอกไม้ไผ่ของพวกลูกหาที่แยกทางลงหน้าไปก่อนแล้วถ้าหากไม่มีบุญคําร่วมเหตุการณ์มาอยู่ด้วย ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกคนจะไม่แตะต้องน้ำดื่มในแอ่นนั้นเพราะไม่เฉลียวใจคิดมะก่อนและเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนายคิดตะโกนสาดแช่งด่าโวยวายและมีทีท่าว่าจะอารวาดเอากับก้อนหินรอบตัวเบลกระโดดเข้ามาตบหลังภาพใหญ่พระกระตาวาดลั่นเขาจึงได้สติยืนกัดการามนิ่งอยู่โริน่าเอาแขนเสื้อขึ้นปาด เช็ดหน้าปัดนี้ลําคองของหล่อนแห้งผากพุดการเรามานั่งบนโขดหินอย่างหมดแรงส่วนพนักงานายืนพิจะระนารณาดูแอ่งน้ําและกิ่งไม้ที่แช่อยู่กลางแอ่งอย่างพินิษใคร่ครวญและกวาดมือเรียกบนคคำเข้ามาใกล้ท่านใหญ่บอกเราว่าเขาจะขึ้นมาดูแอ่งน้ํานี้ให้เราทุกคนคอยอยู่ข้างล่างึงเข้าใจว่าเขาคงจะมีรางสังขอนอะไรสักอย่างหนึ่งบุญคำเชื่อไหมว่าดิพินจะมาถึงที่แอ่งน้นํานี้แล้วก็มองเห็นกิ่งไม้มีพิษนี้แช่อยู่กลางแอ่งน้ําแล้วไม่มีปัญหาในห้าง ท่านใหญ่จะต้องมาดูที่แอ่งน้ํานี้และเห็นแล้วแน่นอนนี่ยังไงยังไม่ทันจะจบประโยคด้วยซ้ 3, ําบนคําส่งก้นบุรี่แบบฟินเตอร์ซึ่งทุกคนจําได้ดีว่าระพินสูบอยู่เป็นประจาก้นหนึ่งให้เซรียรดูมันมีรอยสูบไว้เพียงครึ่งตัวเท่านั้นและมีรอยแบแบนบี้พระเจ้าของทิ้งลงกับพื้นเหยียบได้ให้ดับพบที่ไหนตรงนู้นแกชี้มือไปยังขอบแอ่งหวางตรงข้ามถ้างั้นก็แปลว่าระพินผ่านมาที่นี่แล้วแน่นอน และจะต้องมีอะไรสือ่อารนึงที่น่าสนใจสําหรับเขามากจนถึงกับทิ้งบุรีลงอย่างขันหันแล้วเดินพระออกจากที่นี่ไปปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าเขาไปไหนและเสียงปืนสองนัดเขายิงอะไรตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเราพยายามเรียกทาวติยุแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบมาเลยคุณคํายืนอึง้งเดี๋ยวลอกแล็ไปดอบตัวที่เต็มไปด้วยก้อนหินยังมีอะไรอีกหลายปัญหาค่ะอาจารย์คริสเสริม ข, ขึ้นมาเบาๆเสียงร่อนหักคล่าเมื่อเขาเดินขึ้นมาบนนี้โดยพันกิน ที่ถูกผลักกิ้งลงไปหมายที่จะบทขี้ยี้พวกเราเขาไม่สังเกตเห็นร่องรอยของไอ้งาดําเลยหรือว่ามันซุ่มซ่อนอยู่แถวแถวนี้เราพินพลาดสายตากับมันได้อย่างไรและชั่วไม่เกินห้าหกนาทีเท่านั้นที่พวกเราได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งขึ้นมาไอ้ช้างผีที่มีงาผิดไปกว่าช้างทุกตัวในโลกนี้ก็อแอบย่องมาดักทางเราไว้งัดก้อนหินให้กลิ้งโครมใส่พวกเราทั้งหมดขณะที่ไต่ทางขึ้นมาตามเขาและงาดําตัวนั้นรถทั่วทั่วไปมันควรจะคุมงขลงของมันอยู่ที่กองทัพ เฉพาะวันนี้เหตุการณ์ใดมันจึงได้แยกเดี่ยวออกมาดักรายงานเราอยู่เพียงตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีภาพควบบริวารของมันเลยสักตัวเดียวมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับหญิงไม้พิษที่แช่อยู่ในแอ่งน้ำนี่รู้เปล่าทุกคนเข้ามารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งเซนไม่ได้ความงุนงงมืดมนไปหมดบุญคําเซอร์รี่หันไปทางพลันใหญ่พอจะนําพวกเราแกะรอยพลันใหญ่ไปได้ไหมเราจะมานั่งรอเขาอยู่ที่นี่น่ะไม่ได้เพราะยังดาไม่ถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเสียงปืนจากเข้าวสองนัด แล้วจากนั้นก็เงียบหายไปวิทยุก็ไม่ได้รับตอบให้ ไ, ได้นะ่ยมันได้หรอกในห้าแต่ตอนนี้บุญคาก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าพลานใหญ่เดินทางไปทางไหนถ้าตามผิดทิศแล้วก็จะลาดขึ้นกับเป็นใหญ่เลยนะนอกจากก้นบุรีที่แกทิงไว้ให้เห็นนี่แล้วบุญคํายังไม่พบร่องรอยอะไรอีกเลยพื้นมันก็เป็นพื้นแข็งได้มีทางด่านแยกไว้รอบทิศข้นจากเนินป่าหินนี่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมันก็รว้แล้วแต่เป็นป่าทุกทันั้นเอาอยัางไงกันดีล่ะ เซรีประกาศขอความเห็นผู้ร่วมคณะทุกคนทำไมไม่ลองเรียบิจู ด, ดูอีสักครั้งหนึ่งหลักโดยตั้งหลักที่นี่กันก่อนมันก็จริงอย่างที่คุณคำว่าถ้าหากออกตามผิ ด, ผ, ดผิดทางแล้วก็ยิ่งยุ่งมันใหญ่ทีเดียวเชิดพุทธเอ๋ยขึ้นหรือไม่งั้นก็ให้บุญคำเดินตามไปคนเดียวก่อนจะเร็วกว่าผู้ไาห้าทั้งหลายไปด้วยทุกคนรอบุญคำอยู่วันนี้ก่อนก็แล้วกันแต่เท่าเสน อ, น อ, น อ, นนอน แ, นแเเน อ, อเมริกันทั้งหมดทำตาโตเบลรีบเอื้อมมือมาตะคุบไหล่เบา บ, บางแต่แข็งแกร่งไว้ทันที คนแก่ยังทิ้งพวกเราไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละละพินหาเปคนหนึ่งแล้วประเดี๋ยวบุญคําก็หาอีกคนหนึ่งเท่านั้นพวกพานขึ้นเมืองคนอื่นๆก็แยกทางไปพร้อมกับลูกหาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะตามพานใหญ่ก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละถ้าจะตั้งหลังที่นี่บุญคําก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยตะวันเที่ยงตรงศีรษะแผดแรงกล้าบนฝ่ายหินที่ทุกคนขึ้นมารวมกลุ่มกันอยู่ในขณะ น, นี้ไม่มีร่มพอที่จะอาศัยหลบแดดได้เลยมันร้อนระอุไปหมดทั้งภายนอกและภายใน อาศัยน้ําในแอวงก็เป็นอันว่าหมดหวังทั้งหมดเริ่มเต็มไปด้วยความกปประสับกระส่ายเซอรี่งัดวิทยุประจำตัวขึ้นมาทันทีเปิดสวิตพยายามเรียกซ้ําๆหรือเช่นนั้นความหวังเริ่มห่างไกลออกไปทุกขณะเมื่ออีกห้านาทีเต็มๆก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากอพยพไทยวันทุกคนเริ่มประวิตตกแม้แต่บุญคาเองบัดนี้ก็เห็นแต่ตาขาวกรอกเลื่ยอยู่ไปมา